ดินพรท่านสาธุชนพูทธบริษุทธิ์อุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2559เป็นวันพระวันธรร ม, มวัฒนาวันฝังธรรมวันพัฒนาชีวิตจิตใจ ให้เจริญขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงไปด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ชำระบาปทั้งบ่วงให้เจริญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลง ปราศจากความอยากต่างๆนี่คืองานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติและทาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วคือได้เสด็จไปถึงพระนิพพานแล้วพระนิพพานนี้ก็คือสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด เหมือนกับสวรรค์ชั้นอื่นๆเช่นสวรรค์ชั้นเทพและสวรรค์ชั้นคงที่ยังมีวันที่จะต้องเสื่อมหมดไปเพราะยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แต่พระนิพพานนี้อยู่เหนือกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตานิพพานนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเป็นของเรา ผู้ใดได้รับนิพพานแล้วก็จะเป็นเจ้าของนิพพานนั้นไปตลอดและจะมีแต่ความสุขไปตลอดจะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้นิพพานเป็นของของท่านแล้วท่านมีแต่ปรมณ์มรรคคือปรมังสุขขังท่านไม่มีความเสื่อมอีกต่อไป ไม่ต้องเสื่อมกับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องเสื่อมไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเพราะว่าท่านได้สร้างเหตุที่ทำให้ไม่มีวันเสื่อมก็คือการชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์เหตุที่ทำให้จิตใจของสารโลกเสื่อมลงไปก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เองความอยากต่างๆตัวนี้จะเป็นตัวจุดลาก ให้สัตว์โลกนี้ลงตัดเช่นอยากได้อะไรหรือโลภต้องการอะไรมากๆแล้วไม่สามารถหามาได้โดยวิธีที่ถูกต้องก็จะไปหาโดยวิธีไม่ถูกต้องเช่นอยากจะมีแฟนหาไม่ได้เลยต้องไปเอาแฟนของคนอื่นไปแย่งสามีไปแย่งภรรยาของคนอื่น อย่างนี้ก็เรียกว่าประพฤติผิดประเวณีเป็นการทาบาปเป็นการฉุดลากจิตใจให้ลงตับให้ไปเป็นเปรดให้ไปเป็นอสูรกายให้ไปเป็นเดรัจฉานสุดแท้แต่ความความอยากและการกระทำว่าดุนแรงมากน้อยเพียงไรถ้าอยากได้เงินทองแต่ไม่สามารถ ทำมาหากินโดยวิธีสุดเจริจได้ก็ไปช่อโกงไปลักทรัพย์ของผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการทำบาปบาปทำไปแล้วก็จะต้องมีที่ไปรับผลบาปคืออบายทั้งสีแห่งเนรชาอนเปรตอสุรกายและนรกนี่เป็นผลที่ตามมาจากการที่มีความโลภมีความอยาก แลนะเวลาที่โลภแล้วไม่ได้<ม>ก็เกิดความโกรธ<พ>กิดความโกรธมากๆก็อาจจะถึงกับฆ่าผู้อื่นได้ก็นะ<อ>ไปทําบาปอีกเพราะเหตุมาเกิดจากความโลภอยากได้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มามมเป็นสมบัติของตนพอดีคนอื่นมาแย่งไปอันนี้ก็จะเกิดความโกรธกับคนที่มาแย่งก็จะทำให้คิดร้าย ถ้าโกรธมากๆก็ถึงกับฆ่าแกงกันได้เมื่อฆ่าแกงกันแล้วตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายนี่คือสิ่งที่ฉุดลากจิตใจของสวรโลกให้ลงตังคไม่ใช่อะไรที่ไหนหรอกก็คือความโลกความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของสวรโลกนี้เอง แต่ถ้ามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาต่อสู้กับความอยากแล้วก็ป้องกันไม่ให้ไปทำบาปทำกรรมถึงแม้ว่าความอยากยังไม่หมดก็ยังไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายเช่นอยากได้เงินทองไปซื้อสิ่งต่างๆก็พยายามทรมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตสำมาชีพ ไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นคือไม่ทำบาปทำมาหากินโดยถูกกฎหมายถูกศีลธรรมนะถ้าทำอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นความอยากความอยากก็ยังไม่สามารถดึงให้ไปสู่อาบายได้เพราะ อ, อํานาจของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ละบาปทั้งปวงบา ที่ต้องละนี้มีอยู่5ข้อด้วยกันคือข้อ1การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต2การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดประเวณี4การพูดปดโกโหกหลอกลวงและ5การดื่มสุรายาเมานี่คือบาป5ข้อที่ถ้าผู้ใดทำไปแล้วจะต้องตกต่าจิตใจจะต้องตกต่ำ ไม่สามารถอยู่ในสถานภาพของมนุษย์ได้การที่จะเป็นมนุษย์หรือการรักษาสถานภาพให้เป็นมนุษย์ได้นี้อยู่ที่การไม่ทำบาปทั้งปวงคืออยู่ที่การรักษาศีลห้านี้ให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาถ้ารักษาได้ก็จะรักษาสถานภาพของความเป็นมนุษย์ได้มนุษย์กับ เดรัจฉานต่างกันตรงไหนก็ต่างกันตรงที่ศีลห้านี้เองมนุษย์มีศีลห้าแต่เดรัจฉานนี่ไม่มีศีลห้าสังเกตดูสุนัขที่เราเลี้ยงถ้ามันอยากจะกัดจะกินอะไรมันก็กัดกินได้ถ้ามันอยากจะลักขโมยอาหารของใครถ้ามันมีโอกาสลักขโมยมันก็ลักขโมย ถ้ามันอยากจะเสกกามมันก็ไม่ไปสู่ขอหมาตัวนั่นหมาตัวนี้มาเป็นภรรยาหรือเป็นสามีมันเจอตัวไหนมันชอบเมื่อไหร่มันเกิดความกำหนัดยินดีเมื่อไหร่มันก็จะเสกกรรมทันทีนี่คือนิสัยของเดรัจฉานเป็นอย่างนี้ถ้ามนุษย์ใดคนใดเอานิสัยของเดรัจฉานมาใช้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นมนุษย์แล้ว ถือว่าจิตได้ตกต่ำไปสู่ความเป็นเดรัจฉานแล้วถึงแม้ว่าร่างกายยังเป็นร่างกายของมนุษย์อยู่แต่ใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์เสียแล้วใจหมดสภาพของความเป็นมนุษย์ไปนี่คือเรื่องของจิตใจที่ขึ้นลงไปตามบุญตามบาปที่ทำไว้ถ้ารักษาศีลห้าข้อได้ ก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ได้แล้วถ้ามีใจบุญสุนทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตากรุณายินดีที่จะสงเคราะห์ยินดีที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนยินดีที่จะแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากกว่าความจนเป็นที่จะต้องมีเอาไว้เก็บเอาไว้ใช้ ก็เอาไปแจกไปจ่ายให้แก่เพื่อนญาชนิตนิสหายก็ได้แจกใจ่ายให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ได้อันนี้ก็จะทำให้จิตใจพัฒนาสูงขึ้นกว่ามนุษย์มนุษย์นี่มีศีลห้าแต่ถ้ามีศีลห้าแล้วยังใจบุญสุนทานมีความเมตตากรุณาอันนี้ก็จะไปเป็นเทวดาไปเป็นเทพชั้นต่างๆ เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่เป็นเทวดาก็จะไปอยู่บนสวรรค์ของเทวดาชั้นต่างๆแล้วถ้ามีความสนใจที่อยากจะชำระจิตใจให้สะอาดเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดคือสวรรค์ชั้นนิพพาน ก็ต้องบวชหรือถือศีลบวชศีลห้านี้ไม่มีกำลังพอที่จะช่วยทำให้การทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้เพราะจะไม่มีเวลามาทำคนที่ถือศีลห้านี้ยังไปเที่ยวเล่นตามสถานที่ต่างๆได้ไปดูหนังดูมหัศจรรยเครื่องบันเทิงต่างๆไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆได้ ไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาได้ไปกินอาหารหลังจากเที่ยงวันแล้วได้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อที่จะควบคุมใจให้สงบให้ใจเป็นสมาธิผู้ที่อยากจะต้องการกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆในเบื้องต้นต้องหยุด ด้วยกำลังของสติก่อนคือใช้สตินี้หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆที่เป็นเครื่องมือของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆเพราะว่าเวลาเราคิดถึงอะไรเรามักจะเกิดความโลภแลือเกิดความโกรธขึ้นมาคิดถึงสิ่งที่เราชอบเราก็อยากได้เกิดความโลภขึ้นมาคิดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบก็เกิดความโกรธ กิ้ความเกลียดขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดคิดได้ความโลภ ก, ก็จะไม่โผล่ขึ้นมาความเกลียดก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเวลาที่ความโลภความโกรธความหลงนี้ไม่โผล่ขึ้นมาใจก็เย็นสบายมีความสุขมีความสุขมากกว่าได้เงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านมีความสุขมากกว่ามีกระหาน หลังละร้อยล้านสองร้อยล้านมีความสุขมากกว่ามีรถเก๋งราคาสามสี่สิบล้านมีความสุขมากกว่าได้แต่งงานกับดาราภาพยนตร์หรือนา ง, งามจักรวาลความสุขเหล่านี้เมื่อมาเทียบกับความสุขที่ได้จากการทำให้กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงระงับตัวลงไปแม้ชั่วขณะหนึ่งก็จะรู้สึกว่า ได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นซึ่งเป็นความรู้สึกที่จะไม่มีได้จากการได้เงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านรับรองได้ได้เงินทองร้อยล้านพันล้านแทนที่จะขึ้นสวรรค์กลับจะตกนรกเพราะเริ่มเกิดความหวงความห่วงเกิดความทุกข์ขึ้นมาว่าจะไปหลบซ่อนที่ไหนดีเดี๋ยวต้องมีคนตามมาเป็นขบวน เพื่อนที่ไม่เคยรู้จักก็จะโผล่ขึ้นมาญาติพี่น้องที่ไม่เคยรู้จักก็จะแห่กันมาแห่มาแล้วก็จะมาขอเงินกันถ้าไม่ให้ก็โกรธโมโหถูกเขาด่าอีกนี่คือความสุขของคนที่ได้เงินร้อยล้านพันล้านมาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจเห็นเรานั่งเฉยๆหลับตานี่เขาไม่อยากจะมายุ่งกับเรา ก็รู้ว่าเราไม่มีอะไรให้เขาขนมก็ไม่มีให้กินอะไรก็ไม่มีคนที่นั่งสมาธินี่มักจะไม่มีสมบัติไม่มีอะไรให้คนมาอยากได้ก็นั่งอย่างสบายมีความสุขนี่แหละความสุขของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเริ่มต้นที่ความสงบของใจ พอใจสงบแล้วก็เหมือนกับได้พระนิพพานแต่เพียงแต่ว่าเป็นพระนิพพานชั่วคราวเป็นสวรรค์ชั้นพรมชั้นต่างๆเพราะว่าสตินี้ไม่ได้กำจัดเหตุที่จะดึงให้จิตใจเสื่อมลงมาเหตุที่จะดึงให้จิตใจเสื่อมลงมาก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่เเวลาที่สติมีกำลังคุมไว้ ใจสงบเย็นสบายมีความสุขแต่พอกำลังสติอ่อนลงไปความโลภความอยากต่างๆก็จะดันขึ้นโผล่ขึ้นมาเหมือนปลาที่อยู่ใต้น้ำจะผุดจะโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาก็ทำให้น้ำที่นิ่งนั้นกระเพื่อมขึ้นมาพอเล็ดโผล่ขึ้นมาตามความคิดปรุงแต่งใจก็เริ่มกระเพื่อมใจก็เริ่มมีความหวั่นไหว มีความหิวมีความอยากความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไปแล้วก็จะฉุดลากให้ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเป็นสวรรค์ชั้นพรหมก็จะถูกเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพเพราะว่าบนสวรรค์ชั้นพรหมนี้ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสก แต่พอมีกิเลสตัณหาความอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพและลงมาสู่พบของมนุษย์ที่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เสกเหมือนกับผู้ปฏิบัติธรรมเวลาไปปฏิบัติธรมรมปลีกฤเวกทำใจให้สงบก็อยู่คนเดียวได้อย่างสบายแต่พอเผลอไม่ควบคุมใจปล่อยให้ความโลภความอยากโผล่ขึ้นมา ก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเล่นอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็อยู่ต่อไปไม่ได้ก็ต้องขอกลับบ้านกลับไปหาแฟนกลับไปหาขนมนมเนยกลับไปหาทีวีกลับไปหาละครกลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่าเผลอสติไม่จะละสติต่อไป ปล่อยให้คิดถึงคนนั้นคนนี้ปล่อยให้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้พอคิดแล้วก็อยากจะไปไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานจิตก็เลยเสื่อมลงมาตอนที่อยู่วัดนั่งสมาธินี่จิตเป็นเป็นพรหมเป็นอยู่สวรรค์ชั้นพรหมแต่พอเผลอสติไม่ควบคุมความคิด ความคิดมันก็เลยคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็เลยดึงให้ใจต้องออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องออกมาจากวัดถือศีลแปก็ต้องลาสิกขาไปกลับมาถือศีลห้าและถ้ามีความโลภความอยากรุนแรงบางทีศีลห้าก็เบรกไม่อยู่ะพอแห็นใครถูกใจเข้าอยากจะร่วมหลับนอนกับเขา ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสามีเป็นภรรยาของผู้อื่นแต่ความอยากร่วมหลับนอนกับเขาก็จะทำให้กล้าที่จะทำลายศีลข้อที่สามไปคือจะไม่รักษาศีลข้อการเมคือการปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องของประเพณีก็จะไปแอบมี ไปแอบมีชู้กับสามีคนนั้นภรรยาคนนี้ด้วยอำนาจของตัญหาความอยากที่จะเสพเออยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ศีลห้าก็ยังไม่พอถ้าความอยากรุนแรงมากชอบมากๆอยากได้มากๆนี่ก็กล้าที่จะทำบาปแล้วจิตก็เลยเลื่อนลงไปจากสวรรค์ชั้นพรมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพ ลงมาสู่มนุษย์แล้วก็เลื่อนลงไปสู่เดรัจฉานต่อไปเพราะทำแบบเดรัจฉานถ้าเรียกว่าสุนักเดือนก้าสุนักเดือนก้านี้เวลาที่ช่วงฤ ด, ดูที่มันอยากจะเสกกร์มกันนี้มันวิ่งว่อนไปหมดลยมันวิ่งหาคู่เสกกันไม่ไปสนใจว่าเป็นภรรยาเป็นสามีของใครหรือไม่ตอนนั้นความอยากในความในอารมณ์นี้มันรุนแรงมาก มันถึงไม่สนใจว่าจะเป็นภรรยาเป็นสามีของใครนี่คือเหตุที่เกิดจากการไม่รักษาสติจึงทําให้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมท่านสมาธินี้ไม่สามารถรักษาความสงดของสมาธิให้อยู่ต่อไปได้ส่วนผู้ที่มีความฉลาดหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนว่า อย่าทำตามความอยากอย่าทำตามความโลภเพราะมันจะทำให้ความสุขที่ไดจากความสงบนี้หายไปและสิ่งที่ได้มาก็ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงได้มาแล้วก็จะต้องมาทุกข์กับสิ่งที่ได้เช่นไดแฟนมาแล้วก็จะต้องมาทุกข์กับแฟนต้องมาหวงมาห่วงแล้วเวลาแฟนจากไปแฟนไปมีแฟนใหม่ก็จะเสียอกเสียใจ เพราะว่าแฟนนี้เป็นอนิจจังไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราได้นานสักเท่าไหร่อนาตตาไม่ใช่เป็นของของเราผู้ที่อยากจะรักษาความสงบหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วต้องใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อที่จะมาหยุดความโลภความอยากต่างๆเวลาอยากจะไปมีความสุขกับคนนั่นคนนี้ ก็สอนว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่าได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันหมดไปต้องมีวันพัดภาคจากกันเวลาพัดภาคจากกันความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์และถ้าเสียใจมากมากทุกข์มากๆกก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายไปก็ได้หรือถ้าคนอื่นมาแย่งแฟนไปก็อาจจะไปฆ่าคนอื่นก็ได้นี่คือ การทำลายตัวเองการทำลายความสุขที่มีอยู่ในใจของตนเองด้วยการกระทำตามความโลภกระทำตามความอยากแต่ถ้าหมันพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโลภเราอยากนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่ามันไม่ถาวรมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงวันดีคืนดีมันก็กลายเป็นของคนอื่นไปได้ ถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่อยากได้อะไรพอไม่อยากได้อะไรความสุขที่ได้จากความสงบก็จะกลับคืนมาทันทีเพราะสิ่งที่ทำลายความสุขที่ได้จากความสงบก็คือความอยากนี้เองจะจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงนั่นเอง ของที่เป็นของเราอย่างแท้จริงก็คือความสงบนี้เองของที่จะอยู่กับเราไปตลอดของที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดก็คือความสุขที่ได้จากความสงบนี้เองพอเรามีปัญญาเราก็จะหยุดโลกหยุดอยากสิ่งต่างๆได้แล้วเราก็จะมีแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความลง ไม่มีความหลงความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจก็จะเป็นใจที่จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเพราะเมื่อไม่มีความอยากดูอยากฟังก็ไม่ต้องมีร่างกายถ้ายังอยากดูอยากฟังยังอยากเที่ยวอยากเล่นยังอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อยู่ก็ต้องมีร่างกายพอ ร, ร่างกายอันนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ แต่ก่อนจะได้ร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปใช้บุญใช้กรรมก่อนถ้าอันไหนมีมากกำลังมากกว่ากันก็จะดึงไปก่อนถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็ต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็ไปรับผลบุญก่อนพอบุญกับบาปไม่สามารถดึงไปทางใดทางหนึ่งได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาทุกขกับร่างกายอันใหม่ เหมือนกับที่เรากำลังทุกข์กับร่างกายอันนี้อยู่ก่อนมาแล้วก็ต้องเหนื่อยยากกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาอยู่หายาหาอาหารหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายเสร็จแล้วก็ยังต้องมาเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายเจอกับการพัาดพลาดจากบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆที่เราลากเราชอบไปเป็นเรื่องของการหาความทุกข์แท้แท แต่เราก็ไม่สามารถหยุดมันได้ถ้าเราไม่หยุดความอยากการจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องทำบุญละบาแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญปัญญานี่คือวิธีที่พระเจ้าได้ทรงพัฒนาพระไทยของพระ อ, องค์ ให้เจริญจากการเป็นมนุษย์คือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไปสู่การเป็นพระอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่พระนิพพานด้วยการละบาปทั้งปวงด้วยการสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยการชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์กำจัดความโลภความอยากความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไปจากใจ นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ใดปฏิบัติตามได้ผู้นั้นก็จะกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกไม่มีการาจำกัดว่าจะต้องเป็นพระหรือเป็นเดชหรือเป็นคารวะญาติโยมไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ เป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยกันทุกคนสมัยพระพุทธกาลนี้มีพระอาหารหันต์ที่เป็นนักบวชก็มีเป็นคารวาสก็มีเป็นเด็กก็มีเป็นสัมมเนยก็มีเป็นผู้ใหญ่ก็มีมีคนแก่ก็มีหญิงก็มีชายก็มีมีทุกเพศทุกวัยเพศวัยนี้ไม่เป็นตัวที่จะมาห้ามไม่ให้ไปเป็นพระอาหารหันต์ได้สิ่งที่จะห้ามก็คือกิเลสตัณหา ความโลภความโกรธความหลงถ้าตาบใดยังมีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากต่างๆอยู่ตามนั้นยังเป็นผ้าอรหันไม่ได้ถ้าอยากจะเป็นผ้าอรหันต้องทําตามที่พุทธเจ้าส่งสอนทาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกําจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญานี่คือวิธี ที่ทุกคนสามารถเป็นพระอาหารหันต์กันได้และไม่จำเป็นจะว่าจะต้องเป็นในสมัยพระพุทธกาลสมัยนี้ก็เป็นได้เพราะเหตุนี้ไม่ได้เสื่อมไปตามการตามเวลาเหตุคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ยังสามารถเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้เป็นพระอาหารหันต์ได้ไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะท้อแท้หรือเสื่อมศรัทธาที่เราไม่ได้ผลก็เพราะว่าเรายังปฏิบัติน้อยไปเหมือนกินข้าวคำสองคาแล้วก็อยากจะให้มันอิ่มอันนี้ยังไม่พอต้องกินไปได้เรื่อยกินไปจนกระทั่งมันกินไม่ลงนั่นแหละมันถึงจะอิ่มฉันใดเราก็ต้องปฏิบัติให้มากมากกว่าที่เราทํากันอยู่ตอนนี้ตอนนี้เหมือนกินข้าวเวลาคำสองคา วันพระทีก็มาวัดทีปีหนึ่งวันเกิดก็อาจจะมาอยู่วัดสักสามวันเจดวันถ้าทำอย่างนี้เหมือนกินข้าววันละคมสองคาไม่มีวันที่จะอิ่มได้ถ้าอยากจะอิ่มต้องนั่นแหละไปอยู่วัดไปเป็นนักบวชเลยเป็นแม่ชีไปเป็นพระไปเป็นเนนแล้วปฏิบัติตลอดเวลารับรองได้ว่าได้เป็นแน่ๆ น, นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเรามาทำกันในวันพระวันธรรมดาเราก็ไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงกิเลสตัณหาด้วยการหาเงินไปซื้อของต่างๆตามความอยากไปเที่ยวไปเล่นกันแต่ความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวตายไปมันก็หมดไปก็จะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปแต่ถ้าวันพระเรามาสร้างบุญสร้างกุศลมาลาบบา มาชำราะจาจให้สะอาดเราก็จะมีพกชาติที่ดีติดตัวกับเราไปจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพจากเทพก็ไปเป็นพรหมจากพรหมก็ได้ไปเป็นพระอริยเจ้าไปเป็นพาาาระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราพยายามมาวัดกันให้มากขึ้นปฏิบัติการให้บ่อยขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไปถึงพระนิพพานได้เร็วขึ้นนั่นเอง